เลิกเทศเลิกสวดในปลายปีมามียโทศกนี้มาพุทธศักราช2413สมเด็จพระพุทธจารย์โตได้มีลายลิขิตแจ้งแกกรมสังฆาลีว่าจะขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตยกเป็นกิจมศด้วยเหตุชราทุพลภาพไม่สามารถรับราชการเทศและสวดฉันในพระบรมมหาราชวังได้ ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตตกเป็นพระมหาเทระกิติมศักดิ์และได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าพระในวงเล็บทัตในกรมสมเด็จพระราชวังหลังขึ้นเป็นพระราชาคณะรองเจ้าอาวาสพระราชทานพระสุพรรณบัตรมีพระราชนินนามว่าหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันมีฐานาสามรูปมีนิตยพัเดือนละสบบาท ค่าข้าวสารหนึ่งบาทเป็นผู้ช่วยบัญชากิจาการวัดระฆังต่อไปเรื่องพูดกับนกกาสมเด็จพระพุทธเาจา้์โตตั้งแต่ได้รับพระราชท า, านพระบรมราชานุ ญ, ญาตปลดชรายกเป็นสมเด็จพระราช า, าคณะกิติมศักดิ์แล้ว ท่านก็คลายอิสริยยศบริวารยศแบกตลปัดเองพายเรือบินทบาทเองจนเป็นที่คุ้นเคยกับอิกากาจับบากากินอาหารกับท่านจนท่านพูดกับกาที่ประตูอนงคงขลีลาในวงเล็บประตูดินกาตัวหนึ่งบอกว่าจะไปวัดมห า, าธาตุกาตัวหนึ่งว่าจะไปท่าเตียนสมเด็จพระพุทธเจ้าโตว่าไปท่าเตียนดีกว่าไปวัดมห า, าธาตุ เพราะคนเขาทิ้งหัวกุ้งหัวปลาหมักหมมไม่มากที่วัดมหาธาตุถึงมีโรงครัวก็จริงแต่ว่าคนก็คขนเก็บกวาดสี่หมดแล้วจ้ะเรื่องช่วยขโมยเวลาจำวัดอยู่ในกุฏิของท่านที่วัดระฆังนั้นเจ้าขโมยเจาะพื้นกุฏิ ลวงเอาข้าวของที่หวางเกลื่อนไว้เจ้าขโมยล้วงไม่ถึงท่านก็ช่วยเอาไม้เขี่ยวของนั้นๆเข้าไปให้ใกล้มือขโมยจะขโมยลักเข็นเรือใต้ทุนกุติท่านก็เปิดหน้าต่างสอนขโมยว่าเข็นเบาๆหนิจ้าถ้าดังไปพระท่านได้ยินเข้าท่านจะตีเอาเจ็บเปล่าจ้าเข็นเรือบนแห้งเขาต้องเอาหมอนรองข้างท้าให้โด่งก่อนจ้าถึงจะกลิ้งสะดวกดีเรือก็ไม่ช้ำไม่รั่วจ้า เจ้าขโมยเกรงใจไม่เข็นต่อไปเรื่องเที่ยวไปตามสบายสมเด็จพระพุทธจารย์โตตั้งแต่ปลดภาระการวัดการสอนให้หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีหลันแล้วตัวท่านก็ไปตามสบายกับรีบทําพระพิมพ์ ดูให้คนโคลกปูนเพชรและนั่งพิมไปบางทีไปเยี่ยมประชาวัสะเกตไปนั่งในโลหะประสาทวัดราชนัดดารามไปคุยกับหลวงพ่อรัฐวัดเทพธิดารามบ้างแล้วถูกคอไปดูช่างเขียนประวัติของท่านที่ผนังโบสถ์วัดบางคุณพรหมในดูให้ช่างก่อพระโตก่อขึ้นไปจนถึงพระโสนีคือตะโพกถึงหน้าขึ้นพระบาท ก็ขึ้นนำ้ำมัสการพระพุทธบาทเสมอทุกปีจนพวกลบบุรีสระบรุรีนับถือเอาน้ำล้างเท้าท่านไปเก็บไว้รักษาฝีดาษ ด, ดีนักถึงฝีจะร้ายแรงดาดตะกัวก็หายเด็กๆที่ออกฝีไม่มีใครเป็นอันตรายเลยเรื่องฝีดาษเป็นดีมากจนตลอดมาถึงพระโตวัดเกศชัยโยก็ศักดิ์สิทธิ์ในการรดน้ำมนต์รักษาฝีดาษ ด, ดีชาวเมืองอ่างทองนับถือมากจนตราบเท่าทุกวันนี้ สมเด็จพระพุทธเจย์โตขึ้นนมรส ก, การพระพุทธบาทกล่าวใดเป็นต้องมีใจไปพาด ท, ที่หัวนาคตีนกระไดแล้วนิมนต์พระชักบางสุกุลโยมผู้หญิงคือมารดาของท่านที่เมืองพิจิตรทุกคราวว่านิมนต์บางสุกุลโยมชันด้วยจ้ะพระจา๋าแล้วเลยเป็นนมรส ก, การพระฉายเขามันทกะบรรพดด้วยจนกเกลียงดงนับถือมากเข้ามาปฏิบัติท่านไปกับอาจารย์วัดครุู อาจารย์อื่นๆบ้างกลับมาแล้วก็มาจำวัดสบายอยู่ณวัดบางคุณพรมในเป็นนิตยการ